เวทนานนปสนาให้มีสติดูเวทนาในเวทนาจิตตานุปสนาให้มีสติดูจิตในจิตธรรมานุปสนาให้มีสติดูธรรมในธรรมอันนั้นเป็นภาษาพูดองบูฮุจ่จาเมื่อนี้จังว่าเป็นวันศุกร์เมนบนุนวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าขาพันษามเมื่อนี้ตอนเย็นครับ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 เียอนั่นเป็นคำพูดตรงๆทีเดียวอันนี้เหพระใจปิดดกผมต้องไปพระใจปิดดกพระสูรพระวิันพระวิธรรมอันนั้นดีแล้วพระใจปิดดกพระสูรตันตปิดดกสองมื่นหนึ่งพันพระดขันพระวิใตันตปิดดกสองหมื่นหนึ่งพันพระดขันสองปิดกนี้เป็นสี่มื่นสองันส่วนพระิธรรมปิดดกปิดดกเดียวนั่นแหละ มีสี่หมื่นสองพันรวมเป็นแปดหมืนสี่พันพันดับขันนวัมันเหวี่ยงเลยนะเขากระแทกติดไปติดญี่ปุ่นให้มากระแสติดโตเฮากำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยพระสูตรคือตัวโตเฮานี่แหละตัวโตเฮาได้ทำการทำงานพูดคิดการกราบการไหวเนี่ยพระสูตรอันนี้พระวิเศษคือคำพูดเนี่ยพายที่ทำคือใจก้อยที่ทำทีพูด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 พระธรรมหมาสิ <respuesta. S 1> tense, ้นยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปที่สู้เอาสิ่งเฮาจีเอาธรรมใสมาปฏิบัติกับปฏิบัติโตเฮาดีส่วนอย่างที่ถูกต้องเมื่อผมทําอย่างนี้ผมก็รูรูรู้เรื่องรูปเรื่องน้ํานี่เลยครับอันนี้แหละเป็นสูตรมันในแทล่ะอันนี้รูปนานี่เป็นของสําคัญคันรู้รูปน้ําแล้วกลับไปทําอย่างอื่นบ่แมนนะผิดแล้ว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 ที่ไวให้ฟังมุ น, เนจเอาจริงเอาจังกป็นอยู่คึกกันจริงจริงจังจั ง, จงเตือนไปหมุ่อแหลงหวานนี่คนนี้ครับถ้าภัยซสยุนี่ก็ต้องเอาจริงเอาจั ง, จงบุาว า, นน า, ารพระว่าเนียนบุวัญญาติว่าโย่เพราะว่าการปฏิบัตินันมีทต่คำพูดแต่ตัวจริงนี่น้อยเป็นอย่าไรเมื่อปฏิบัติอย่างนี้นะ่ะตกเย็นมาผมขลุอกตื้นผืนผมไปอาบนา้ำ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 ต้นไม้ผูกเขาห้วยหนองคองบึงเป็นวัตถุทั้งนั้นเมื่อหนางเขาเป็นวัตถุบนนี่มีจริงจิตใจเขาเป็นวัตถุมีจริงนี่ของจริงเราต้องเห็นจริงแล้วสั้นลายเป็นขั้นเป็นตอนมาอยางตันปรามาัดแล้วของจริงมีอยู่ในโลกนี้กําลังเขาสัมผัสนู่กาลังเขาลูตัวอยู่กําลังเาขารู้ความคิดเขาอยู่เนี่ยเป็นปรามาัดอาการสภาพต้นไม้ผูกเขาห้วยหนองคลองบึง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 ญาติโยมก็มีคนถือศาสนาใดาก็มีคือกันเมื่อจิงว่าพุทธศาสนานี้เป็นสากลเป็นของบุคคลผู้ที่รู้บนนี้เป็นของบุคคลผู้ที่ไม่รู้เนียเป็นของบุคคลผู้ที่รู้คนใดรู้คนนั้นแหละเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเขาจึงว่ากันว่าพุทธานุพุทธังว่าสิ่งพุทธตัตสะโลตามพระพุทธเจ้าว่าสิ่งมีศีลนิทิเสเมริกัน มีสิ้นคือกันกับพระเจ้ามีความไม่เห็นเหมือนกันกับพระเจ้าโมผิดกันถ้าผิดจักนี้ไปแล้วผมว่าผู้ของผู้นั้นแต่วิธีผมมี่โบทุแต่วิธีนั้นก็ได้บอกได้สอนกันมาแล้วมู่หลวงพ่อมู่นี่ก็ได้เห็นสําเร็จมาแล้วไหมบ่เนี่ยมุมาหามู่คุณทุกคนละอยู่เนี่ยเห็ุสาสาจังหวะทีแรกเรื่องแรกต้องเห็ุจังหวะสาสาสะพอนมันยังฮู้เล่แล้วพอดีฮู้จังหวะแล้วก็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 หมดได้เบิ้งใจตัวเองจากเทือดีม้มาเจเห็นบอกนี่ี่ได้อย่างไงีะได้ยังกล า, างคืนยังสนไปติดความสงบจะได้ยังละเอียดเป็นยังสิหมู่จากทางไปครับหมูจะกทางไปโอ้สิ่งที่ว่ามีแล้วในคนทุกคนทำให้ปกติอันนี้เกิดขึ้นนะ้วเกิดปัญญาแท้ๆรับรองได้ทีเดียวอันเนี้ที่ว่าเป็นสูตรที่สาเร็จ